ด้วยธรางในรัชกาลที่สี่ตอนที่ท่านจะสวรรคตในเวลาเย็นวันนั้นพระองค์ทรงประชวนหนักแต่ทรงสมบูรณ์ด้วยพระสติสัมปชัญญะทรงกําหนดวาระสุดท้ายแห่งพระชนมายุของพระองค์จึงมีดํารัดให้พระยาศรีสุนทรโวหารเข้าไปใกล้ที่บรรทมและมีพระราชดํารัสพระราชนิพนธ์เป็นภาษามาคตให้พระยาศรีสุนทรโวหารจดเป็นอักษร และอัญเชิญไปอ่านในที่ประชุมสมวัดราชประดิษฐ์แปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าบัดนี้โยมได้ตั้งจิตอธิษฐานสมทานสินห้าแล้วกระทามณสิการไว้ในใจโยมได้ศึกษาอยู่ว่าในบรรดาขน 5, ันห้าอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหวิญญาณหกสัมผัสหกและในเวทนาที่เป็นไปในทวารทั้งหก สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่จะไม่พึงมีโทษสิ่งนั้นไม่มีเลยในโลกหรือว่าบุคคลยึดถือสิ่งใดไว้จะพึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นไม่มีเลยในโลกยมได้ศึกษาถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนย่อมเป็นไปตามปัจจัยสิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั้นนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราความตายใดๆของสัตว์ทั้งหลายความตายนั้นไม่น่าอัศจรรย์เพราะความตายนั้นเป็นวิถีทางของสัตว์ทั้งปวงขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดโยมขอลาโยมไหว้สิ่งใดที่โยมผิดพลังขอสงจงอดโทษสิ่งนั้นแก่ยโยมเถิด แม้เมื่อกายของโยมกระสับกระสายอยู่แต่จิตของโยมจะไม่กระสับกระสายไปตามกายโยมทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาอยู่อย่างนี้เมื่อพระองค์ทรงรับสั่งพระยาศีสุนทรโวหารเสร็จแล้วก็ส่งมนสิการชาระจิตให้สะอาดด้วยภาวนาพระกรรมฐานซึ่งกล่าวกันว่าพระองค์ทรงกำหนดอนาปานสติคือกาหนดลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยบทภาวนา โทกำกับจึงทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดในสมัยนั้นได้ยินพระสุระเสียงว่าพุทโทพุทโทพุทโทแล้วพระสุรเสียงก็ค่อยแผ่วเบาลงได้ยินแต่เพียงคำว่าโทโทโทและเสด็จสวรรคต ด, ด้วยอาการสงบ การจากไปของพระหมหากษัตริย์ของไทยพระองค์นี้ชื่อว่าจากไปด้วยธรรมหาได้ยากโดยมีกมรรมรมฝ่ายดีเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะจากไปอย่างสงบด้วยการมีพระสติสัมปชัญญะมั่นคงมุ่งตรงต่อพระธรรมที่พระองค์ทรงยึดมั่นเป็นที่พึง่งบางท่านสันนิษฐานว่าพระองค์น่าจะบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งทรัพย์สกนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าบวดพระได้บุญหรือได้บาปการบวชเป็นพระไม่ใช่ของเล่นเล่นหรือหวังเพื่อความสนุกสนานผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่เข้าใจ คิดว่าลูกหลานอายุครบบวชก็อยากจะให้บวชเป็นหน้าเป็นตาจะได้จัดงานเลี้ยงกันให้สนุกสนานไปทั้งมีการละเล่นการกินเลี้ยงกินเหล้ากันตามประเพณีนิยมในสังคมชนบทบางงานถึงกับมีเรื่องกลาววุ่นวายไปก็มีการบวชนั้นถ้านักผู้บวชไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาจริงๆอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะเวลาบวชเป็นพระแล้ว จะไม่ตั้งใจในการศึกษาธรรมวินยัยศีลก็จะไม่ตั้งใจรักษาพระที่ไม่ตั้งใจรักษาศีลก็จะเป็นพระทิฏุศีลซึ่งจะเป็นการเพิ่มบาปให้กับผู้บวชอีกการที่จะให้ลูกหลานบวชนั้นควรทําความเข้าใจกันให้ดีถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ฉันจะบวชอยู่นานหรือไม่นานก็ควรทำในสิ่งที่ถูกต้องตามคำสอนในเมื่อบวชเป็นพระแล้วจะอยู่นานหรือไม่นานก็ตามควรตั้งใจรักษาศีลศึกษาธรรมมวินยัยและความเหมาะสมของความเป็นพระถึงอยู่ไม่นานก็ขอให้เป็นพระที่ดีจะได้เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวไปพยายามอย่าทำผิดศีลผิดวินัยของความเป็นพระ เพราะการบวชแทนที่จะได้บุญก็กลับได้บาปไปแทนเมื่อบวชแล้วควรศึกษาดูว่าหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาที่เราจะนาไปใช้ประโยชน์หลังจากศึกออกไปเป็นคารวาสแล้วมีอะไรบ้างเช่นการรักษาศีลห้าเพื่อความเป็นคนดีหรือการควบคุมอารมณ์เพื่อความสุขของตนเองและครอบครัวเพื่อจะได้ฝึกความอดทน เช่นบินทบาตโดยไม่ต้องใส่รองเท้าตื่นนอนแต่เช้ามืดมาสวดมนนั่งสมาธิฉันอาหารน้อยลงเหลือหนึ่งถึงสองครั้งก็อยู่ได้และฝึกอบรมจิตโดยการเจริญกรรมฐานสำหรับผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจว่างานบวชระานนี้เป็นงานบุญอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นบาปก็ไม่ควรส่งเสริมให้กระทำในงานบวชนี้ เพ่มีการเลี้ยงเล้าในงานบวชมีเจตนาส่งเสริมหรือสั่งเขาฆ่าสัตว์เพื่อนามาใช้ในงานบวชให้มีการเล่นการพนันในงานบวชหรือจัดงานบวชเพื่อให้ได้บุญกุศลก็ควรจัดแบบที่ไม่ส่งเสริมเรื่องอบบยมุกและสิ่งที่ผิดศีลธรรมควรส่งเสริมแต่ในเรื่องของสิ่งที่เป็นบุญกุศลเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มีมากที่จัดงานบวชแบบตามกระแสวัตถุนิยม เขานิยมกันว่าต้องมีดนตรีต้องมีหนังต้องมีการจัดเลี้ยงกันใหญ่โตต้องมีของมึนเมาต้องล้มหมูฆ่าสัตว์กันเป็นตัวตัวก็ทำกันความจริงนั้นงานบวชนี้จัดว่าเป็นงานบนุญงานมงคลแต่ทำไมจึงไปส่งเสริมในสิ่งที่เป็นบาปและอบายมุขให้มีในงานมันไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นการบวชก็คือการได้เข้ามาศึกษาหลักธรรมวินยัยแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นให้รู้จักบุญรู้จักบาปให้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําการเป็นพระนั้นต้องเป็นที่การกระทําคือมีการรักษาศีลมีการรักษาจิตมีการรักษาธรรม ความเป็นพระที่แท้จะเกิดขึ้นได้พระที่แท้ไม่ใช่แค่กนผมห่มเหลืองหรือทำพิธีบวชในโบสถ์เท่านั้นแต่พระที่แท้คือเป็นเรื่องของการอบรมพัฒนาจิตแต่ถ้าบวชแล้วไม่ตั้งใจอยู่ในธรรมวินัยให้ถูกต้องก็เป็นอันต ร, รายเหมือนกัน เราเลือกเกิดได้ไดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นคือท่านได้พบเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วท่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและมีความต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าบ้างท่านจึงตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าและพร้อมกับเลือกสร้างสมความดีที่เป็นเหตุแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าเหตุ ข, ของความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือการสะสมบา ร, รมีสาสิบทัศน์นั่นเอง ท่านตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เกิดจากการที่ท่านได้เลือกประธรรมกรรมทางกายวาจาใจที่เป็นเหตุให้บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าท่านได้แต่ตั้งความปรารถนาแต่ไม่สร้างสมบารมีท่านก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะเห็นได้ว่าที่ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็เกิดจากท่านเลือกทำเอาเองบางคน เกิดมาเป็นลูกคนรวยบางคนเกิดมาเป็นลูกคนจนบางคนเกิดมาหน้าตาดีบางคนเกิดมาพิการตั้งแต่กำเนิดบางคนเกิดมาฉลาดบางคนเกิดมาโง่ที่เกิดมาต่างกันนั้นก็เพราะแต่ละคนทำกรรมไว้ต่างกันจึงเกิดมาตามกรรมวิบากของแต่ละคน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 บางอย่างส่งผลเป็นสุขบางอย่างทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษด้วยก็มีทรัพย์นั้นมีทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกได้แก่ทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆทรัพย์ประเภทนี้เป็นสมบัติที่ผัดกันชมเป็นของเราเพียงชั่วคราวไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเพราะเมื่อห้าร้อยปีพันปีที่แล้วเป็นของใครและอีกห้าร้อยปีพันปีข้างหน้าจะเป็นของใคร ยากที่จะตอบได้อย่างแน่นอนซับประเภทนี้มีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ในตัวแต่คนส่วนใหญ่จะหลงจนเกินความจำเป็นจนหาความพอดีได้ยากจนเกิดทุกข์มีโทษอย่างมากมายพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าซับประเภทนี้คืออสสรพิษใช้ได้เฉพาะชาตินี้ตายแล้วนำไปใช้ไม่ได้ถ้าไม่แปลสภาพเสียก่อนเช่น นำเงินไปสร้างห้องน้ําในวัดถวายแก่พระสงฆ์หรือนําเงินไปบริจาคสร้างโรงพยาบาลทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐมีแล้วใช้ประโยชน์ส่งผลเป็นความสุขและใช้ได้เวลานานถึงที่สุดตายแล้วนาไปเป็นทุนได้ทั้งเป็นประโยชน์ในปัจจุบันเป็นประโยชน์ในชาติหน้าเป็นประโยชน์เพื่อพระนิพพานเป็นทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญ เป็นซับที่จรปล้นไม่ได้น้ําท่วมไม่หายไฟไหม้ไม่หมดหนึ่งซับคือศรัทธาเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลไม่ได้เชื่อแบบงมงายมั่นใจเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในกฎแห่งจิตเชื่อในกฎแห่งธรรมชาติไม่เชื่อโชคชะตาและดวงดาวว่าจะมีอิทธิพลเหนือกรรมไปได้สอง ซับคือศีลเป็นการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยประพฤติให้ถูกต้องดีงามตามฐานะให้มีเจตนาในการงดเว้นให้ดูที่เจตนาเป็นหลักสามซับคือความละอายแก่ใจตนเองถ้าจะทําสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องเวลาจะทําจะเกิดความละอายขึ้นทุกทีบาปอากุศลจะเกิดขึ้นได้ยากหรือไม่เกิดขึ้น ทุกโศกก็ไม่เพิ่มให้แก่ตนเองนี้ก็จัดว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งข้อสีทรับคือความเกรงกลัวต่อบาปกรรมเมื่อเรารู้ว่าบาปกรรมนํามาซึ่งความทุกข์เมเราเงงกลัวก็ไม่อยากได้รับความทุกข์เราก็ไม่ควรทําบาป 5. ้ทรับคือความเป็นผู้ได้ศึกษามามากถ้าได้ศึกษามามากอ่านมามากได้ยินได้ฟังมามากและนํามาวิเคราะห์แยกแยะว่า สิ่งใดดีสิ่งใดชั่วแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามถูกต้องก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองข้อหกทรัพย์คือความเสียสละและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยทั่วไปไม่ว่าคนหรือสัตว์ตามความเหมาะสมการเสียสละนั้นถ้าออกไปจากจิตที่ดีงามอย่างแท้จริงแล้วยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นดีกว่าทาบุญแต่ยังมีความรู้สึกว่า สิ่งนั้นเป็นของเราอยู่คือทำบุญด้วยความยึดถือไม่ดีเลยทำบุญนั้นต้องทำแบบปล่อยวางบุญนั้นจะสมบูรณ์อย่างถูกต้องเจ็ทรัพย์คือปัญญาโดยทั่วไปทางโลกจะเข้าใจว่าปัญญานั้นต้องอาศัยการศึกษาสงสงหรือผู้มีความคิดความจำดีเลิศกว่าผู้อื่นแต่ปัญญาทางธรรมนั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจท่องแท้ในเหตุผล ทั้งดีและชั่วรู้ถูกรู้ผิดว่าสิ่งใดมีคุณมีโทษรู้ถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อความสงบเย็นในด้านจิตใจและเพื่อความพ้นทุกข์พระบางรูปอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านสามารถปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาแต่บางคนมีการศึกษาสูงแต่อยู่ด้วยความหลงงมงายในทรัพสมบัติมีทั้งคดโกงกอบโกยไม่รู้จักแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วถูกผิด อะไรคือประโยชน์ที่แท้จริงในชาตินี้ในชาติหน้าและเป็นไปเพื่อพระนิพพานก็ไม่สนใจแต่ถ้าใครมีทั้งปัญญาทางธรรมและปัญญาทางโลกผู้นั้นจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองได้สมบูรณ์และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกมากด้วยผู้รู้ย่อมสารเสริญคนมีปัญญาพูดจริงตั้งมั่นในศีลประกอบความสงบใจนั่นแหละ สติทางโลกสติทางธรรมคำว่าสติอย่างเดียวนั้นยังจัดว่าเป็นคํากลางๆอยู่จะดีก็ได้จะร้ายก็ได้อยู่ที่ว่าจะระลึกอะไรระลึกถึงสิ่งที่ดีจิตก็เป็นกุศลแต่ถ้าระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีจิตก็เป็นอกุศลสติในทางโลกนั้นถ้าใครมีสติผู้นั้นจะประกอบการงานใดๆก็จะมีความระมัดระวังดีขึ้น และจะทำให้การงานนั้นๆมีโอกาสสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเช่นตำรวจจราจรเวลาปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีสติคนขับรถก็ต้องมีสติโจรจะไปปล้นธนาคารก็มีสติอย่างนี้เรียกว่าสติทางโลกถึงจะมีมากสักเท่าใดก็พ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่ได้แต่ถ้าเป็นสติทางธรรมก็คือระลึกอยู่ในสติปัฏฐานสี่คือรู้เห็นความเป็นจริงของกาย ในกายรู้เห็นความจริงของเวทนาในเวทนารู้เห็นความจริงของจิตในจิตรู้เห็นความเป็นจริงของธรรมในธรรมเพื่อลักความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียสติทางธรรมนั้นเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสภายในจิตของเราทำให้มากเจริญให้มากก็จะพ้นทุกข์ได้ในที่สุดมีสติอีกแบบหนึ่งคือสติที่ไม่ต้องคอยระลึก เป็นสติของผู้ปฏิบัติจนถึงระดับหนึ่งเป็นสตทิที่ทรงตัวอยู่เองโดยไม่ต้องกระทาเป็นความสมบูรณ์ของสติที่ปฏิบัติมาจนถึงสภาวะแห่งความเป็นเองตอนปฏิบัติใหม่ๆให้เรามีสติรักษาธรรมเพื่อทำให้มากเจริญให้มากแล้วจนธรรมนั้นจะรักษาผู้ประพฤติธรรมธัมโมหเวรคติธรรมจาริง ทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม